วิมุติรัตนมาลีโดยพระรา ช, ชวิสุทธิโสพลวิลาชยานวโรปอทก้าตอนพระธรรมมเสนาบดีสารีบุตรดังได้สดับมาอดีตการนานมาแล้วนับถอยหลังลงไปตั้งแต่พัทรกับนี้ได้หนึ่งอสงไขกับเศษอีกหนึ่งแสนมหากับกาละครั้งนั้นยังมีมานพผู้หนึ่งนามว่าสรธมมานพ เกิดในตระกูลพระมหาสาลครั้นจำเริญวัยวัฒนาการแล้วเบื่อหน่ายในคารวาดวิสัยจึงสละสมบัติออกไปบรรพชาเป็นชดินดาบทสร้างอาสมอยู่ในพนาสนบำเพ็ญสมถกรรมฐานจนได้สำเร็จฌานอภิญญาสมาบัติท่งคุณวิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาสามัญแล้วตั้งตนเป็นอาจารย์สอนสมถกรรมฐานมีดาบทเป็นสิทธิบริวารมากมายถึงเจ็พคน การต่อมาปรากฏว่ามีสมเด็จพระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติตรในโลกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโนมทัสสีรมศาสดาพระองค์ทรงบำเพ็ญศาสนาิจประดิษฐานพระพุทธศาสนายังประชาสัตว์ให้ได้ดื่มอมตะธรรมด้วยพระมหากรุณาใหญ่ตามวิสัยแห่งพระพิชิตมานแล้วอรุณรุ่งวันหนึ่งพระองค์จึงทรงอาวัชนาการท่องพระยานพิจารณาปวงสัตว์โลก ทรงเห็นอุปนิสัยสาวกะภูมิแห่งสรถดาบทผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายสมถกรรมฐานโดยทรงทราบด้วยพระยานวิเศษอย่างแจ่มแจ้งว่าวันนี้เราตถาคตจกไปสู่สำนักแห่งสรถดาบทณพนสนประเทศป่าใหญ่ก็จะได้ประโยชน์โสดที่ผลเป็นอันมากด้วยว่าจะได้แสดงพระสัทธธรรมเทศนาโปรดดาบทผู้เป็นอาจารย์กับเหล่าดาบทบริวารครั้นจบพระธรรมเทศนาแล้ว พระธาดาบทผู้เป็นอาจารย์จักตั้งมโนปณิธานปรารถนาที่เอกอัครสาวกกับทั้งสิริวัตรกุลุมพีผู้หนึ่งซึ่งเป็นสหายของดาบทนั้นก็จักประสานนาการเลื่อมใสตั้งมโนปณิธานปรารถนาตําแหน่งที่ทุติยาสาวกในอนาคตการส่วนดาบทผู้เป็นบริวารเจ0 0 0พัน 74, 000, ซึ่งมีพระอรหัตคุณรุ่งเรืองอยู่ในขันธสันดานแล้วนั้นก็จักพลันได้บรรลุพระอรหัตผลละยาน สำเร็จเป็นองค์อรหันต์สิ้นในวันนี้ดังนั้นจึงควรที่เราตถาคตจากปริโปรดดาบทเหล่านั้นในการระบัดนี้สมเด็จพระโนมทัดสีสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งพระพุทธอาภวกดังนี้แล้วก็ทรงซึ่งบาทและจีวรไม่ได้ตรัสแก่พระภิกษุสงฆ์องค์ใดให้รู้สเสด็จบ่ายพระพักไปยังพนาสนโดยเอกจาริกเหาะไปทางอากาศดุจพระยาไกสอนสีหราชปราศจากสีหปริวาร ในการเมื่อดาบ ท, ที่เป็นสิทธิ์ไปเที่ยวสแสวงหาบุญพระลาหารอยู่แต่ท่านสรลทะดาบทอาจารย์ใหญ่ผู้เดียวครั้นถึงพนาสนแล้วจึงเสด็จลงจากอากาศสถิตยังพื้นปฐพีในที่เฉพาะหน้าแห่งสรลทะชดินดาบทเพื่อจะให้รู้ว่าพระองค์เป็นพระสัพพันญูพุทธเจ้าฝ่ายสรลทะดาบทได้ทัศนาการพระศาสตาจารย์คราวนั้นก็สำคัญแจ้งในจิตว่าเป็นพระพิชิตมานโดยแท้ จึงกระทำปัจจุคมนาการถวายอภิวาต ด, ด้วยเบญจางข้าประดิษฐ์แล้วปูราดอาสนะถวายเป็นอันดีสมเด็จพระนมรัศสีบรมครูสเสด็จสถิตเหนือปัญญั ต, ตาอาจแล้วในขณะนั้นก็พอดีชดินดาบทบริวารทั้งหลายนำพลาผลต่างๆล้วนมีโอชารสประณีตบัรจงเข้าไปสู่สำนักท่านสาระดาบทอาจารย์ได้เห็นสมเด็จพระทศพลยานก็พากันกราบกานลงแทบพระยุคลบาททั้งสิน้น พระธะดาบทจึงกล่าวแก่สิทธิ์ชดินทั้งปวงว่าดูราชาวเราทั้งหลายเอย๋ยท่านผู้นี้คือองค์สมเด็จพระชินสีสามมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระคุณอันประเสริฐล้ำเลิศไม่มีผู้ใดที่จะเทียมเหมือนได้ในไตรโลกพระองค์เสด็จมาหาพวกเราด้วยความกรุณาใหญ่ถ้าการทของพวกเราสมควรจะถวายแก่พระสัพพันธูเจ้าก็มิได้มีแต่สมเด็จพระชินสีเจ้าเสด็จมาในเวลาพิกขาจา์วันนี้ สมควรที่พวกเราจากถวายทานตามมีตามได้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงช่วยกันจัดสรรพ้าผลไม้บรรดามีเลือกจัดเอาแต่ที่มีรสอันโอชาประณิดนำมาถวายพระสุคตเถิดอย่าชักช้าสรทดาบทประกาศแก่สิทบริวารทั้งปวงดังนี้แล้วก็ล้างมือของตนให้หมดมนทินเลือกคัดจัดสรรผ้รลาผลที่กรอบด้วยโอชารสทั้งสิ้นใส่ลงในบาตรสมเด็จพระนมทัดสีตรีโลกนาถ ก็รับประเคนดาบทและเสวยพลาผลนั้นด้วยพระมหากรุณาครั้นเสร็จพัตกิจแล้วองค์พระประทีปแก้วจึงทรงจินตนาการอธิษฐานว่าขอพระอัครสาวกทั้งสองของเราตถาคตและพระอาหารหันต์ขีนาทวะสงิ์สาวกทั้งปวงจงพาการมหาเราตถาคตในที่นี้จงพร้อมเพียงกันในการระบตดนี้เถิขดขณะนั้นพระอาหารหันต์ผู้เป็นอัครสาวกของพระองค์ พร้อมกับพระสงฆ์ขีนาสวะเจ้าทั้งหลายแจ้งในพระพุทธปริวิตกโดยพลันก็พากันเหาะมาณสถานที่นั้นด้วยอำนาจอริยริศถวายนมัส ก, การสมเด็จพระพิชิตมานแล้วนั่งอยู่ในที่อันควรแก่ตนตามลำดับแลดูหน้าเลื่อมใสนักนาท่านสรทดาบทเห็นภาพพระสงฆ์องค์อรหันต์มากมายดังนั้นก็มีจิตบังเกิดประสันนาการกล่าวแก่ดาบทบริวารแห่งตนว่าดูราชาวเราทั้งหลายเอย การครั้งนี้ควรจะเป็นที่น่าปิติยินดีแก่พวกเราทั้งปวงดูเอาเถิดบัดนี้องค์อรหันต์ผู้ประเสรศิฐซึ่งมีสมเด็จพระชินสีห์เจ้าเป็นประธานได้ทรงพระกรุณามาโปรดพวกเราผู้เป็นทุกขตะแล้วก็แต่ว่าที่ประทับนั่งแห่งองค์พระประทีปแก้วบรมครูนั้นแลดูต่ำนักทั้งที่นั่งแห่งพระอัครสาวกทั้งสองและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ยังแลดูไม่สมควรถ้าไร เราทั้งหลายจงพากันไปเก็บบุปผชาติอันประกอบด้วยวันนาสุขันธรสมาแต่เชิงวันพธให้มากสุดที่จะมากได้เพื่อที่จะกระทาเป็นบุกผาอาจถวายองค์พระโลกนาดกับพระอริยสงฆ์สาวกเป็นการกระทาศั ก, กระบูชาตามภาษาแห่งชาวเราผู้เป็นดาบทอยู่ในป่าดังนี้ก็น่าจะเป็นการกุศลดีเลิศประเสริฐนักชดินดาบทผู้บริวารได้สาวนาการท่านอาจารย์สรธว่าดังนั้น ก็เห็นดีเห็นงามรีบพากันไปที่เชิงบรรพลดเลือกเก็บบุปผาชาติที่มีวันะสุขันรธรสมาเป็นอันมากแล้วกระทําเป็นบุปผาอาจสําหรับสมเด็จพระบรมศาสดาทรงสติษษษษษษษนั้นสูงกว่าอาจอื่นทั้งปวงบุปผาอาจที่สูงลดหลั่นกันลงมาคืออาจของพระอัครสาวกทั้งสองซ้ายขวาและอาศนะของพระสงฆ์ขีนาสวะเจ้าทั้งหลายโดยกระทําให้สําเร็จได้อย่างรวดเร็วเป็นอัศจ ร, รในกรณีนี้ หากจะมีปัญหาว่าเหตุฉนชดินดาบ ท, ทั้งหลายจึงกระทําบุปผาอาจถวายสมเด็จพระบรมศาสดาและพระอริยสง์สาวกสําเร็จได้โดยง่ายและรวดเร็วเป็นอัศาจรรย์มิได้ช้าวิสัชนาว่าการที่เป็นดังนี้ก็ด้วยอํานาจบุญยญริษฐแห่งชดินดาบ ท, ทั้งหลายเหล่านั้นแท้จริงดาบ ท, ทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้ได้อภิญญาฌานสมาบัติสําเร็จเป็นฌานลาภีอภิญญาบุคคล พราะจำเริญสมร tha กรร ม, มาฐานชํานาญฌานมาแล้วทั้งสิ้นเมื่อทวินหวังจะบําเพ็ญมหากุศลสุภวัตไปเลือกเก็บบุพาชาติอันกรอบด้วยวันณะสุขันธรสมาตกแต่งเป็นบุพภาอาตทั้งหลายเพื่อถวายพระอริยสงฆ์มากมายก็สามารถทําให้สําเร็จได้โดยมีชักช้าตกแต่งประดับประดาให้สวยงามได้อย่างรวดเร็วเป็นอัศจรรย์ก็อันวิสัยแห่งบุคคลที่มีฤทธิ์ได้อภิญญาฌานสมาบัติในโลกนี้นั้น ควรที่ท่านผู้มีปัญญาจะพิจารณาเห็นให้เป็นอัศจรรย์อาจินไตอันใครๆไม่ควรจะพึงคิดเมื่อเหล่าชดินดาบทผู้มีฤทธิ์ตกแต่งอาจอันประดับด้วยบุปพาชาติทั้งสิ้นเสร็จแล้วทรัฐดาบทอาจารย์ใหญ่จึงยอกอกรอันชฉลีในที่เฉพาะพระพักสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาแล้วทูลอาราธนาว่าขออันเชิญเสด็จพระองค์ผู้ทรงสิริสวรรัสด์จงขึ้นสถิตประทับนั่งบน บ, นบันลังบุปพาอาจนี้ พร้อมทั้งพระอริยสงฆ์ขี่นาศกเจ้าทั้งหลายเพื่อให้สําเร็จประโยชน์สดที่ผลแก่ข้าพระบาททั้งปวงผู้มีวาสนาน้อยด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระธรรมราชาธิบดีอนมุมัทสีพร้อมกับพระธรรมเสนาบดีนามว่าพระนิสภะเทระอัครสาวกและพระอริยสงฆ์มหาขี่นาศกเจ้าทั้งหลายก็ขึ้นสถิตบนปุกพรอาจอันควรแก่ตนตามลํำดับพระธาดาบทผู้เฉลียวฉลาด ก็ถือฉัดดอกไม้อันใหญ่ยืนกลางกั้นเบื้องบนพระอุตตมงคสิโรตสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าด้วยความเคารพเลื่อมใสในลำดับนั้นสมเด็จพระสัพพันยูอโนมทัสสีจึงทรงมีพระพุทธดำริว่าควรที่เราตาคตและพระอรหันต์ขีนาศพทั้งหลายจะกระทาสการะบูชาของเหล่าชดินดาบททั้งปวงนี้ให้เป็นสการะบูชาที่มีอันิสงภยสัยศาลทรงอาวัชนาการเช่นนี้แล้ว ก็ส่งเข้านิโรธทัศมาบัตรอันเป็นผาสุขวิหารบรรดาพระอริยสงฆ์องค์อราหันต์ทั้งหลายซึ่งมีพระธรรมเสนาบดีนิสพรเถระเป็นประธานทอดทัศนาการเห็นพระบรมครูทรงเข้าสู่นิโรธทัศมาบัติดังนั้นก็พลันต่างอธิษฐานเข้าสู่นิโรธทัศมาบัตรด้วยกันทั้งสิน้นสมเด็จพระชินทร์สีเจ้าพร้อมกับเหล่าสาวกอราหันต์พากันเข้านิโรธทัศมาบัตรอยู่จนครบเจ็วันเป็นกำหนด ตลอดเวลาที่ล่วงไปนี้ท่านสาระนาบดก็ไม่ได้เคลื่อนกายไปไหนคงยืนถือฉัตรดอกไม้กางกั้นเบื้องบนสมเด็จพระชินาสียับยั้งอยู่ด้วยปีติสุขท้่วทั้งสัตวานนั้นครั้นพระพุทธองค์ทรงออกจากนิโรธทศมาบติจึงตรัสเรียกพระธรรมเสนาบดีนิสพะเถระซึ่งดำรงตำแหน่งพระอครสาวกฝ่ายทักษินปารัฐตรัสสั่งว่าดูก่อนนิสภะบัดนี้เธอจงกระทาอนุโมทนาบุพพาอาษ อันดาบททั้งหลายถวายและกระทําสักการะบูชาเพื่อยังปรีดาปราโมทให้เกิดแก่เขาทั้งหลายต่อไปพระธรรมเสนาบดีแห่งองค์สมเด็จพระโนมทัด ส, สีสัมพุทธบพิตรซึ่งมีนามว่าพระนิสสะเถระอัครสาวกฝ่ายขวาเมื่อได้สาวนาการพระพุทธดํารัสเช่นนั้นก็บังเกิดความปิติยินดีประหนึ่งเสนาบดีมหาโยธาผู้ได้รับพระราชทานโอกาสแต่สำนักสมเด็จพระบรมจหิดกพัฒตราธิราช ให้สำแดงฝีมืออันล้ำเลิศแห่งตนในถ้ำกลางหมู่พลณรณภูมิสนามชิงใจแล้วพระผู้เป็นเจ้าผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่ในศาสนาแห่งสมเด็จพระโนโมทัศสีซึ่งตั้งอยู่ในสาวกบ ร, รมยานก็เริ่มสำแดงพระสัทธรรมเทศนาอนุโมทนาบุพพาอาสนสถานโดยวิจิตพิสดารยิ่งนักหนาครั้นจบเทศนาแห่งพระอัครสาวกฝ่ายขวาแล้วสมเด็จพระประทีปแก้วอนมทัดสี จึงทรงมีพระมหากรุณาตรัสเรียกพระอนมเถระซึ่งดำรงตำแหน่งพระอัครสาวกเบื้องซ้ายด้วยพระพุทธดำรัสว่าดูก่อนอ น, นุมัตบัดนี้เธอจงพิจารณาพระไตรปิฎกธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของเราตาคตแล้วจงแสดงธรรมสืบต่อไปพระอนุมเถระอัครสาวกเบื้องซ้ายได้รับพระวโรกาสเช่นนี้ก็บังเกิดปิติยินดีอีกเช่นกัน พระผู้เป็นเจ้าเริ่มแสดงพระสัทธรรมเทศนาโดยเลือกสรรพระไตรปิฎกธรรมที่สำคัญมาแสดงโดวยวิจิตพิสดารสืบต่อจากที่พระธรมรมเสนาบดีนิสภะพระเถระแสดงแล้วนั้นแต่เป็นที่น่าอัศจรรย์ด้วยว่าธรรมมาพิสมัยคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นวิมุตติธรรมจากได้บังเกิดมีแก่ชดินดาบทผู้หนึ่งผู้ใดแม้แต่สักนิดหนึ่งก็หามิได้ทั้งนี้ ก็โดยเหตุที่ชดินดาบทเหล่านั้นอบรมสั่งสมบารมีมาล้วนแต่เป็นพุทธเวนัยยะคือเป็นผู้ที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจากต้องโปรดเองด้วยการสิ้นทั้งนั้นด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนมทัต ส, สีสามพุทธเจ้าจึงต้องทรงสแสดงพระสัท ธ, ธรรมเทศนาด้วยพระองค์เองครั้นพระสัทธรรมเทศนาอันพระองค์ทรงสแสดงจบลงบรรดาชดินดาบทบริวารทั้งเจพันคนซึ่งเป็นพุทธเวนยะ มีพระอรหัตคุณรุ่งเรืองอยู่ในขันธสันดานก็ได้บรรลุพระอรหัตผลลญาณอันเป็นปฏิปัติสัตธิวิมุตขั้นสูงสุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงคุณวิเศษในพระพุทธศาสนาได้รับการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสิ้นทั้งหมดยกเว้นท่านสรตะดาบทอาจารย์ใหญ่แต่เพียงผู้เดียวซึ่งไม่ได้บรรลุธรรมวิเศษสิ่งใดเลยการที่ท่านสรตะดาบทขนอาจาร ย, าย์ใหญ่ ไม่ได้บรรลุธรรมวิเศษมรรคผลสิ่งใดก็โดยเหตุที่วาสนาบา ร, รมีที่ตนอบรมสั่งสมมายังไม่แก่กล้าถึงความบริบูรณ์เต็มที่ประการหนึ่งกับอีกประการหนึ่งนั้นท่านทร t h ดาบทมัวแต่คํานึงอยู่ว่าธรรมไหนอัตมะจึงจะได้เป็นพระธรรมเสนาบดีที่อัครสาวกเบื้องขวาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการสักพระองค์หนึ่ง เหมือนดังพระภิกษุธรรมเสนาบดีที่นั่งบนอาจเบื้องขวาแห่งองค์สมเด็จพระโนโมทัศสีซึ่งงามสงา่าและมีปัญญาแก่กล้านี่หนอได้แต่เฝ้ารำพึงด้วยความประทับใจในพระนิสพะเถระอัครสาวกเบื้องขวาจึงไม่ได้ตั้งใจสดับพระสัทธรรมเทศนาด้วยดีเหตุนี้ท่านสรธดาบทคนาจารย์ใหญ่จึงไม่อาจได้บรรลุมรผลธรรมวิเศษสิ่งใดเหมือนกับสิทธิ์ทั้งหลายแห่งตน เมื่อการบรประชาอุปสมบทสิทธ์ทั้งปวงของตนซึ่งเป็นพระอรหันต์ใหม่ผ่านพ้นไปแล้วจึงนมัส ก, การทูลถามองค์พระปฏีพแก้วอนมทัศสีสัมพุทธเจ้าขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระภิกษุองค์นี้ที่นั่งบนอาจเบื้องขวาซึ่งมีความงามสง่าทรงไว้ซึ่งปัญญานี้มีนามในพระพุทธศาสนาดังรือสมเด็จพระอนมทัตสีจอมตรีโล ก, กนาฏจึงทรงชี้พระหัต ไปยังพระอัครสาวกเบื้องขวาแล้วตรัสว่าดูก่อนสรทะภิกษุรูปนี้เธอมีนามว่าพระนิสสพะถึงซึ่งที่สุดแห่งสาวกบรมยานมีปัญญาแตกฉานในพระไตรปิฎกธรรมทั้งหลายดำรงฐานะในตำแหน่งที่อัครทักษิณสาวกเบื้องขวาในศาสนาแห่งเราสถาคตสรระดาบทจึงกล่าวเป็นวจีปณิธานเบื้องพระพักพระโนมทัศ ส, สีโรมศาสดาจารย์ ด้วยน้ำคำอันหนักแน่นว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเดชะผลบุญที่ข้าพระบาทได้ถวายบุพภาอาจและได้กลางกั้นสมเด็จพระโล ก, กนาฎด้วยฉาดดอกไม้ทวนถึงเจ็ดวันนี้จะได้มีจิตปรารถนาเป็นเทวดาสวยเทพยาสมบัติในสวรรค์าเทวโลกหรือปรารถนาความเป็นอินพรมและสมบัติอื่นใด น, นั้นก็หาไม่ได้เลยโดยที่แท้ในการระบาดนี้ข้าพระบาท มีจิตปรารถนาที่จะได้เป็นพระคระสาวกเบื้องขวาผู้เป็นพระธรรมเสนาบดีแห่งองค์พระชินสีสัพพันยูเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเหมือนดังพระภิกษุรูปนี้ในอนาคตการขอให้ความปรารถนาอันประเสริฐจงบังเกิดมีตามที่ข้าพระบาทต้องประสงค์นี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอโนโมทัดสีทรงพิจารณาด้วยอนาคตญาณเห็นแจ้งว่า ในอนาคตการล่วงไปได้หนึ่งอสงไข์กับเศษอีกหนึ่งแสนมหากัปความปรารถนาแห่งดาบทนี้จักสําเร็จสมประสงค์จึงทรงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าดูก่อนสรทะความปรารถนาแห่งท่านนี้การที่ว่าจะสูญเปล่านั้นหาไม่ได้ในอนาคตการล่วงไปได้หนึ่งอสงไขยแสนมหากัปจักมีพระสัพพันธูพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระพุทธโคโดมมรมศาสาสดา เสด็จมาอุบัติตรัสในโลกพระทุติยสาวกเบื้องซ้ายแห่งพระไตรโลกโคโดมบรมศาสดานั้นปรากฏนามว่าพระมหาโมคลานะเทระตัวท่านจะได้เป็นปฐมทักษิณอัคราสาวกเบื้องขวาแห่งพระโคโดมบรมศาสดาพระองค์นั้นปรากฏนามว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นเที่ยงแท้ในการนั้นเมื่อสมเด็จพระพักควันอโนมทัดสี ทรงมีพระพุทธฎีกาพยากสรสัทธดาบทชนนี้แล้วก็ทรงพาพระสงฆ์สาวกมหาขีณาสวะเจ้าทั้งปวงเสด็จไปยังที่ประทับโดยนภาากาศด้วยอริยริษท์ส่วนสัทธดาบทผู้มีจิตปรารถนาเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาก็เข้าฌานอภิญญาเหะามาจากป่าโดยบ่ายโฉมหน้ามาสู่บ้านสิริวัฒเษฐีซึ่งเป็นสหายคู่ใจแห่งตนอันอยู่ในเมืองแอบลงจากอากาศที่ชายป่า ตามธรรมดาวิสัยแห่งอภิญญาลาภีผู้มาโดยนภาากาศแล้วก็มีจิตผ่องแผ้วรีบดุ่มเดินไปยังบ้านของเศรษฐีสิริวัตรสหายรักซึ่งจากกันไปนานครั้นสิริวัตรเห็นเข้าก็ดีอกดีใจตรงเข้าสวมกอดรัดมัดกายอาราธนาให้นั่งบนอาจที่ควรใช้ปูราดให้เป็นอย่างดีแล้วเอ่ยวจีไต่ถามความเป็นไปข้าแต่สรตดาบทสหายรัก ดาบทสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้ามีเป็นอันมากบัดนี้ดาบทเหล่านั้นหายไปไหนสิ้นเล่าสหายรักจึงมาหาข้าพระเจ้าที่นี่แต่เพียงผู้เดียวสระดาบทก็บอกความที่สิทธ์ทั้งปวงของตนได้สดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระทศพลสัมพุทธเจ้าแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตามเหตุการณ์ที่ปรากฏมาแล้วนั้นทุกประการในที่สุดจึงกล่าวชักชวนสหายรักนั้นว่า ดูก่อนสิริวัตรสหายรักเราได้กระทําอธิษฐานแทบบาดมูลสมเด็จพระโนมทัศสีบรมศาสดาปรารถนาที่อัครสาวกฝ่ายขวาแห่งพระพุทธโคโดมบรมครูเจ้าซึ่งจักมาตรัสในอนาค ต, ตการขอท่านผู้เป็นสหายรักแห่งเราจงปรารถนาเป็นพระทุติยาสาวกฝ่ายซ้ายแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเถิดเรารีบเร่งมาณที่นี้ก็ด้วยประสงค์ประโยชน์นี้เป็นสําคัญ สิริวัตรเศรษฐีสดับคำแนะนําอันพิเศษดังนั้นก็พลันบังเกิดความยินดีที่จะตั้งความปรารถนาตามถ้อยคําแห่งดาวบทสหายรักนั้นทุกประการจึงสั่งข้าทาสบริวารให้เรียบเร่งปราบพื้นภูมิภาคภายนอกประตูบ้านให้ราบเรื่นเป็นอันดีแล้วให้เอาทายมาเกลี่ยเรียรายลงทั่วที่นั้นโปรยปลายด้วยกุศลเมชาติทั้งหลายแล้วกระทํามนดกหลังคามงด้วยดอกนิลบนุบล ตกแต่งอาสนะสำหรับสมเด็จพระทศพลและพระสงฆ์มหากีนาสวะเจ้าให้สวยงามภายในบนหลบนั้นจัดแจงเครื่องสัพท์ักการะบูชาเป็นอันมากพอควรแก่ความต้องการแล้วจึงส่งพระดาบทสหายรักให้ไปกราบทูลนิมนต์สมเด็จพระทศพลกับทั้งพระอริยสงฆ์มหากีนาสวะเจ้าทั้งหลายเพื่อให้มารับอาหารบิณฑบาตแห่งตนในวันรุ่งขึ้นสาระทะดาบทก็ไม่ได้รอช้า เหะทยานไว้ฟ้าไปด้วยอํานาจอภิญญาลาภีเข้าไปทูลอาราธนาสมเด็จพระโนมทัศ ส, สีพร้อมกับพระสงฆ์ทั้งปวงมาสู่มหามนตรณบ้านศิริวัฒเศรษฐีผู้เป็นสหายพอถึงเวลานัดหมายเมื่อสมเด็จพระไตรโล ก, กนาถเสด็จมาถึงจึงศิริวัฒเศรษฐีผู้เป็นเจ้าภาพก็เข้าไปกราบถวายบังคมกระทําปัจจุคมนาการรับเอาบาดสมเด็จพระทศพลด้วยหัดแห่งตน แล้วทูล น, นิมนต์ให้เสด็จขึ้นสู่มหามนด์กงามวิจิตรเมื่อเสร็จพัรกิจแล้วก็ถวายวัตถุทานอันมีค่ามากแด่สมเด็จพระพุทธองค์กับทั้งพระอริยสงฆ์ทั้นทั้งสิ้นแล้วทูลอาราธนาให้ทรงพาพระอริยสงฆ์ทั้งหมดมารับมหาทานของตนจนครบเจวันในวันสุดท้ายธิริวัตเศษธีผู้มีศรัทธาใหญ่จึงกราบทูลกระทำปนิธานตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระสุคต พระธะดาบทซึ่งเป็นสหายรักแห่งข้าพระบาทตั้งความปรารถนาจะเป็นพระทักสินสาวกแห่งสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าพระองค์ใดในภายหน้าแม้ข้าพระบาทก็ปรารถนาเป็นทุติยสาวกเบื้องซ้ายแห่งพระสัพพันยูเจ้าพระองค์นั้นขอให้ความปรารถนาอันประเสริฐของข้าพระบาทนี้จงสำเร็จสมบโนรสเถิดพระเจ้าค่าสมเด็จพระอโนมัศสีตรีโลกนาฏ ทรงอวัชนาการพิจารณาด้วยพระอนาคตยานเห็นแจ้งว่าวาจีปณิธานของเศรษฐีนั้นจักสำเร็จสมปรารถนาจึงทรงมีพระมหากรุณาตรัสพยากรณ์ทำนายดุในัยขน ห, หลังแล้วก็ทรงพาพระอครสาวกทั้งสองและพระมหาขีนาสวะสงบริวารเสด็จกลับไปยังที่ประทับเพื่อทรงบำเพ็ญพุทธกิจโปรดเวนยัยสั์ทั้งหลายให้ได้ดื่มอมะตะธรรมตามพุทธวิสัยต่อไป ท่องเที่ยวเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัดตสงสารเป็นเวลานานสิ้นการหนึ่งอสงไขยแสนมหากับแล้วรู้ถึงพัทรกัปนี้สระดาบทผู้มีวาสนาได้มาถือปฏิสนธิในคันแห่งนางสารีพรหมณีซึ่งอยู่ในบ้านอุปติสคกามใกล้กรุงราชครึกและในวันเดียวกันนั้นเองสิริวัฒเศษฐีผู้เป็นสหายก็ได้มาถือเอาปฏิสนธิในคันแห่งนางโมกคลีพรหมณี ซึ่งอยู่ในบ้านโงลิตาคามใกล้กรุงราชครึกดุดกันด้วยตระกูลทั้งสองนั้นเป็นสัมพันธมิตรสืบเนื่องกันมาก่อนตราบเท่าถึงเจ็ดชั่วคนแล้วครั้นถึงกำหนดท่วนทดสมาตรนางพระมณีทั้งสองก็คลอดบุตรที่รักออกมาเป็นกุมารโสภาบริสุทธิ์สมใจจึงตั้งหญิงให้เป็นนางนมเลี้ยงดูกุมารทั้งสองนั้นถึงสกนางเท่าๆกันและเมื่อวันจะให้นามกุมารทั้งสองนั้น พระมนาจารย์ก็ตั้งนามให้ตามเหตุคือกุมารที่เป็นบุตรพราหมณตระกูลใหญ่ในอุปติสสะคามขนานนามให้ว่าอุปติสะกุมารแต่เพราะเหตุที่เป็นบุตรสุทธิรักแห่งนางสารีพราหมณีดังนั้นชาวบ้านทั้งหลายจึงมีความพอใจที่จะเรียกอุปติสกุมาร น, นั้นว่าสารีบุตรสำหรับกุมารที่เป็นบุตรพราหมณตระกูลใหญ่ในโกลิตาคามขนานนามให้ว่าโกลิตะกุมาร แต่เพราะเหตุที่เป็นบทสุดที่รักของนางโมกลีพรมณีดังนั้นชาวบ้านทั้งหลายจึงมีความพอใจที่จะเรียกว่าโมกคลานกกูมานครั้นจำเริญวัยวัฒนาการแล้วกูมานทั้งสองก็ได้รับการศึกษาชั้นเลิศเรียนรู้เจนจบในศิลปะศาสตร์ทั้งปวงและกลับมาอยู่บ้านแห่งตนโดยผาสุขการเมื่อมีเวลาว่างจะไปเที่ยวเล่นตามสถานที่อันน่ารื่นรมย์ใจ คือแม่น้ำหรือสวนสะบกขอรณีใดๆอุปติษฐมานพย่อมขึ้นคานหามทองไปพร้อมกับบริวารฝ่ายโกลิตะมานพนั้นย่อมขี่รถเทียมด้วยม้าไปพร้อมกับบริวารของตนเหมือนกันการละวันหนึ่งชาวเมืองราชเครึกจัดให้มีการละเล่นมหระศพบนยอดภูเขาเป็นที่คลึกครื้นสนุกสนานงานใหญ่มีผู้คนทั้งหลายไปเที่ยวงานนี้มากมาย มานบสองสหายซึ่งรักใคร่กันมานานแต่ในอดีตชาติก็ได้ไปดูการมหหรสพบครั้งนี้โดยนั่งร่วมที่เดียวกันขณะที่แลดูการเล่นมหหรสพบนั้นครั้นถึงที่ควรจะหัวเราะก็หัวเราะถึงที่ควรจะสังเวชก็สังเวชถึงที่สนุกที่ควรจะให้รางวัลก็ตกรางวัลให้แล้วในขณะหนึ่งก็ให้มีอันเป็นไปโดยให้เกิดอาการเบื่อหน่ายไม่ได้ยินดีเหตุว่า มาน์ทั้งสองมีบารมีญาณแก่กล้าจึงปรึกษากันว่าจะมีประโยชน์อันใดในกิจอันจะดูมหรสศนี้และอายุแห่งเราไม่ทันจะถึงร้อยปีก็มีแต่จะแตกสลายตายไปหาชีพบรรยัติไม่ได้ถ้ากระไรเราทั้งสองควรจะออกไปแสวงหาซึ่งโมกะธรรมความหลุดพ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงจะเป็นการชอบก็แลการแสวงหาซึ่งโมฆะธรรมนั้นควรที่เราทั้งสองจกต้องบรรปชา ถือเพศเป็นนักบวชเสียก่อนเราจะพากันไปบวชณนสำนักแห่งอาจารย์ผู้ใดสมัยนั้นสัญชัยปริพาชกตั้งตนเป็นคณาจารย์ใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองราชครื้พร้อมด้วยบริษัทบริวารเป็นอันมากมีชื่อเสียงเกรียงไกรเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนทั้งหลายยิ่งกว่าคณาจารย์เจ้าลัทธิอื่นใดมานพทั้งสองจึงพากันไปบรนประชาขอบวชในสำนักแห่งสัญชัยปริพาชกนั้น พอบวชอยู่ได้ไม่นานวันก็เรียนรู้เจนจบตลอดในสมัยลัทธิของสัญชัยทั้งสิน้นจึงเรียนถามอาจารย์สัญชัยว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ลัทธิของท่านอาจารย์มีเท่านี้แหละหรือลัทธิคำสอนของท่านอาจารย์ยังจะมีมากยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกหรือประการใดขอความกรุณาท่านอาจารย์ได้บอกแก่ข้าพเจ้าทั้งสองนี้อีกต่อไปเถิดลัทธิสมัยที่เราเรียนรู้มามีเพียงแค่นี้ และบัดนี้ท่านทั้งสองผู้มีปัญญาไว้ก็ได้เรียนจนจบสิ้นความรู้ในสมัยลัธิของเราแล้วปริพาชกสันชัยกล่าวตอบตามความเป็นจริงมานพทั้งสองผู้เป็นนักบวชหน้าใหม่จึงปรึกษากันว่าพระมจจริยาวาดในสำนักท่านคณาจารย์ใหญ่สันชัยปริพาชกนี้หาประโยชน์อันใดมิได้ไม่เป็นทางให้บรรลุโมฆะธรรมความพ้นทุกขแต่ประการใดก็แลชมพูทวีปนี้ มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลจึงเป็นการสมควรที่เราทั้งสองผู้ต้องการโมกขธรรมความหลุดพ้นจากด้านร่นท่องเที่ยวไปในคามนิคมจนบทราชธานีน้อยใหญ่ก็คงจะได้พบอาจารย์ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งอาจจะรู้และอาจจะชี้แจงแสดงซึ่งโมฆะธรรมแกเราได้เป็นแน่แท้ก็แลนในบรรดาเราผู้เป็นสหายรักกันทั้งสองนี้ผิว่าผู้ใดได้รู้โมฆธรรมก่อน จงบอกแก่ผู้หนึ่งให้ได้รู้ด้วยอย่าได้ลืมปติญญาข้อนี้เสียปรึกษาและให้ปติญญาแก่กันดังนี้แล้วมานบหนุ่มผู้มีวาสนาปัญญาไวทั้งสองก็ออกท่องเที่ยวไปในบ้านเมืองน้อยใหญ่ได้สดับข่าวว่าสมณะพระมนาจารย์ที่เป็นปรารถมีอยู่ที่ใดก็อุตสาดด้านดานไปสู่ที่นั้นแล้วก็ถามซึ่งปัญหาเป็นธรรมสาากัตฉาปรากฏว่า ไม่มีส ม, มณะพระมนาจารย์ใดที่จะมีปัญญาวิสัชนาปัญหาที่มานบทั้งสองใส่ถามได้จำเดิมแต่เที่ยวถามปัญหาไปในสากลชมพูทวีปหลายแห่งหลายหนก็ไม่ได้พบปะบุคคลซึ่งเป็นนักปราชญที่จะมีปัญญาแสดงโมกะธรรมตามความปรารถนาในที่สุดจึงพากันกลับมาพักอาศัยอยู่ในสำนักของท่านสันชัยคณาจารย์ใหญ่เป็นการชั่วคราวในการนั้น สมเด็จพระพุทธโคโดมปรมศาสดาของเราทั้งหลายได้ตรัสแก่พระปรมาพิเศกสัมโพธิยานเสด็จไปตรัสเทศนาพระธรรมจักรปรดประทานแก่พระปัญจวัคคีตราบเท่าจนมีพระอรหันต์สาวกปรากฏขึ้นในโลกหกองค์แล้วสมเด็จพระสัพพันยูเจ้าจึงสเสด็จโปรดสัตว์โลกทั้งปวงถึงเมืองราชคฤึดโดยลําดับทรงรับอาราธนาให้สเสด็จไปสถิตยอยู่ณพระเวลุวนันเพื่อบําเพ็ญพุทธกิจแสดงธรรม นำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ภัยในวัตตะสงสารพร้อมกับพระอริยสงฆ์มหาขีนาสวะเจ้าซึ่งแวดล้อมเป็นบริวารทั้งหลายอารุณสมัยวันหนึ่งท่านพระอสศจิมหาขีนาสวะเจ้าซึ่งนับเข้าในเหล่าพระปัญจวัคคีรูปสุดท้ายได้จาริกเข้าไปในเมืองราชคร์เพื่อบินธบาตตามสำณวิสัยพอดีอุปสิสะมานพปัญญาไหวบริโภคอาหารเช้าแล้วเดินไปสู่ปริพาชากา ร, รามพบเห็นเข้า เกิดความประทับใจยืนทัศนาดูด้วยความเลื่อมใสพร้อมกับรำพึงในใจว่าสมณะพู้เช่นนี้ไม่เคยปรากฏมีและอัตมะไม่ได้เคยพบเห็นมาก่อนในโลกอันหนึ่งสมณะเหล่าใดที่ได้โมกอกธรรมเป็นพระอรหันต์ในโลกสมณะผู้มีอาการน่าเลื่อมใสผู้นี้ชิรอยจะนับเข้าในสมณะเหล่านั้นองค์หนึ่งเป็นแน่แท้ควรที่เราจะเข้าไปไต่ถามอัตทปริศนาในโมกกระทำจกดีกว่า รำพึงใจชนี้แล้วอุปติสะมโนพผู้มีวาสนาก็เดินตรงเข้าไปหาท่านพระอัศชิิงค์อรหันต์แล้วกลับพันได้เกิดความคิดขึ้นใหม่ว่าธรรมะผู้มีอาการหน้าเลื่อมใสนี้เธอกำลังทำหน้าที่เข้าไปโปรดสัตว์ตามลำดับแห่งเรือนเพื่อโคจรบินทะบาทยังไม่ควรแก่การที่อาตมะจะเข้าไปไต่ถามซึ่งปัญหาโดยที่แท้ควรที่อาตมะจะค่อยเดินติดตามไปในเบื้องหลังก่อน ได้โอกาสเมื่อใดจึงจักไต่ถามปัญหาแก่เธอเมื่อนั้นการที่จะไต่าถามอัดรมอันลึกซึ้งในที่กลางทางดังนี้ไม่เป็นการดีการชอบอะไรอุปติสะมานพยับยั้งชั่งใจชนีแล้วก็ค่อยเดินติดตามสาวกแห่งองค์สมเด็จพระปฏีบแก้วไปไม่ให้คลาดสายตาได้ฝ่ายพระอัศชิองค์อรหันใหม่ได้อาหารบินบาบจากชาวเมืองราชคฤืพอเป็นยาปนมัดแล้วก็เดินทางกลับมา โดยบ่ายโฉมหน้าไปยังพระเวรวนแต่ว่าขณะนั้นเป็นเวลาสายนักจึงคิดว่าจะนั่งพักและฉันพัตฐานนั่ภายใต้ร่มไม้ใหญ่อันมีอยู่ข้างมัคคาอุปติษมานบซึ่งติดตามมาอย่างกระชั้นทิศทราบโดยอาการว่าท่านมีความปรารถนาจะนั่งลงฉันพัฒฐารจึงรีบเข้าไปเอาตัางรองนั่งสำหรับปริภาชกของตนถวายให้พระอศัศจนั่งอย่างสบายแล้วรีบไปหาน้าใช้น้าฉันมามอบให้ และปฏิบัติรับใช้อยู่ในขณะนั้นเป็นอันดีครั้นพระปัญจวัคคีย์รูบสุดท้ายฉันพัะทหารสำเร็จเรียบร้อยแล้วอุปติสสะมานพผู้มีปรีชาชาญจึงกล่าวคำเป็นมัุระปฏิสันฐานว่าดูก่อนอาวุโสท่านนี้มีวงพักอันพ่องใสทั้งวันนะของท่านเล่าก็ขาวบริสุทธิ์และดูน่าเลื่อมใสท่านบนรรพชาเฉพาะสานักแห่งสมณะพระมนาจารย์ใด ใครเป็นครูอาจารย์แห่งท่านและท่านได้เล่าเรียนปฏิบัติธรรมในสำนักของอาจารย์ใดพระอัศจิปัญญวิคีรูปสุดท้ายจึงกล่าวตอบแก่มานบนั้นว่าดูก่อนอาวุโสพระมหาส ม, มณะสัคยบุตรซึ่งออกบวชจากสักยราชตรกูลทรงพระนามว่าพระสมนาสัคยมุนีทรงมีพระปัญญาญาณกว้างไกลได้ตรัสแก่พระปรมาพิเศษสมโพธิยาณรู้แจ้งซึ่งโมฆะธรรมอันประเสริฐ พระองค์ทรงเป็นพระบรมครูของเราและเรานี้ปรนปรชาในศาสนาของพระองค์ขอท่านจงทราบความดังนี้เถิดอุปติสสะมานพในเพศปริพาชกจึงไต่ถามความสำคัญตามที่ตนต้องการอีกต่อไปว่าสมเด็จพระสมณะโคโดมบรมครูแห่งท่านพระองค์ทรงแสดงธรรมแก่ท่านเป็นดังหรือพระผู้เป็นเจ้าอัศจริงดาริว่าขึ้นชื่อว่าปริพาชกย่อมเป็นปฏิปัก แก่พระพุทธศาสนาควรที่อาตมาจะแสดงธรรมที่สุขุมคำพีรภาพแห่งพระพุทธศาสนาแก่มานพผู้ทรงเพศเป็นปริภาชกนี้จึงจะเป็นการดีดําริชันนี้แล้วสาวกแห่งองค์สมเด็จพระประทีบแก้วจึงแสดงธรรมมิกถาวว่าดูก่อนอาวุโสอาตมาเพิ่งบวชใหม่เข้ามาในธรรมวินัยแห่งสมเด็จพระบรมครูเจ้ามิได้นานดังนั้นจึงไม่อาจที่จะแสดงธรรมแก่ท่าน โดยพิสดารได้แต่เพื่อมิให้เสียน้ำใจจึงขอแสดงธรรมแก่ท่านแต่เพียงย่นย่อว่าธรรมทั้งหลายใดๆย่อมไหลามาแต่เหตุทั้งสิน้นเมื่อเหตุดับแล้วธรรมทั้งปวงนั้นก็หายรับดับศูนย์ตามไปด้วยโดยมิต้องสงสัยสมเด็จพระจอมไตรโลกนาถสมณะโคโดมปรมครูเจ้าแห่งเราทั้งหลายพระองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้นะปริพาชกแต่พอพระอัสชิพุทธสาวก แสดงธรรมอันวิเศษสุดในพระพุทธศาสนาโดยย่นย่อจบลงเพียงเท่านี้อุปติสมาโน บ, บุตรแห่งสารีพรมณีผู้มีวาสนาบา ร, รมีอันสร้างมาแต่ปางบันก็ยังปัญญายาณให้บังเกิดในขันธสันดานตั้งสติกำหนดให้เป็นบทพระกรรมฐานยังวิปัสนาญาณให้บังเกิดขึ้นโดยลำดับอย่างไม่หยุดยัง้งจนกระทั่งได้บรรลุพระโสดาปติผลญาณอันเป็นปฏิปัสสติวมุต ในพระบวรพุทธศาสนาสำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลมีปัญญากว้างขวางพิสดาลประดับด้วยนยยพันหนึ่งแล้วจึงกำหนดซึ่งเหตุต่อไปด้วยปัจิเวกขณะยานว่าธรรมวิเศษเบื้องสูงอันยิ่งขึ้นไปที่ตนยังไม่ได้บรรลุในการระบัดนี้ยังมีอยู่ด้วยความดีใจจึงกล่าวห้ามพระครูอัจฉิผู้แสดงธรรมว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอพระผู้เป็นเจ้าจงอย่าแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปเลยจงหยุดแต่เพียงแค่นี้ก่อนเถิดว่าแต่ว่าในการระบัดนี้สมเด็จพระพุทธมุนีผู้เป็นพระบรมครูเจ้าของเราเสด็จอยู่ในที่ใดดูก่อนปริพาชกสมเด็จพระบรมครูเจ้าของเราขณะนี้กำลังเสด็จอยู่ณเวรุวรณารามนี่เองข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าเช่นนั้นขอพระผู้เป็นเจ้า จงกลับไปก่อนตามอัธยาศาัยเถิดด้วยว่าข้าพเจ้ายังมีสหายอีกคนหนึ่งซึ่งได้กระทําสัญญากันไว้ว่าถ้าผู้ใดได้อมตะทำก่อนจะรีบบอกกับอีกผู้หนึ่งให้ได้รู้ดังนั้นข้าพเจ้าจําเป็นต้องกลับไปเปลืองปฏิญญานั้นเสียก่อนไม่อาจติดตามพระผู้เป็นเจ้าไปเฝ้าสมเด็จพระพุทธมุนีในขณะนี้ได้แต่จะพาสหายรักตามพระผู้เป็นเจ้าไปเฝ้าสมเด็จพระบรมครูต่อภายหลัง ในไม่ช้านี้อุปติสสะมานพพระโสดาบันอริยบุคคลใหม่ในพระพุทธศาสนากลางด้วยความเคารพเรื่อมใสอันไม่หวั่นไหวดังนี้แล้วก็กราบลงด้วยเบญจางข้ประดิษฐแทบบาทมูลแห่งพระอัสฐิด้วยกำลังแห่งปิติกระทําประทักษิณสิ้นตติยาวานแล้วก็ส่งพระผู้เป็นเจ้าไปก่อนส่วนตนรีบเดินทางย้อนกลับไปสู่ปริพากการามด้วยความอิ่มเอิบใจ ฝ่ายโกริตะมานพบในเพศปริภาชกเห็นสหายอุปติสะเดินมาแต่ไกลจึงดำริว่าใบหน้าแห่งสหายเรามีพรรณะอัน่องใสยิย่งกว่าวันอื่นๆวันนี้ชะรอยสหายที่รักคงจะมีข่าวดีพิเศษเป็นแน่นมั่นครั้นแล้วเหตุการณ์ก็เป็นไปตามนึกไว้คือเมื่ออุปติสะมานพบมาถึงก็รีบบอกความตามที่ประสบมาแล้วก็กล่าวพระคาถานั้นให้สหายรักฟัง แล้วในที่สุดโกลิตะมานพก็สามารถยังวิปัสนาญาณให้บังเกิดในขันธสันดานแห่งตนจนได้บรรลุพระโสดาปัติผลญาณอันเป็นปฏิบัติสัติวิมุตในพระพุทธศาสนาสำเร็จเป็นพระโสดาบันอริยะบุคคลไปอีกคนหนึ่งในการนั้นแล้วจึงปรึกษากันว่ามาเถิดมาเราจะพากันไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้าด้วยกันในการระบาดนี้เถิด ก็แลอุปนิสัยอันแท้จริงแห่งโอปติสมาโน์ผู้บุรของนางสารีพรหมณีนั้นเป็นอุปนิสัยที่มั่นในกะตันอยู่กอบประด้วยความเคารพ บ, บูชาครูบาอาจารย์อยู่สิ้นการเป็นนิดดังนั้นทั้งๆที่เป็นการรีบร้อนแต่เขาก็จูกคิดขึ้นได้ถึงเหตุอันหนึ่งจึงกล่าวแก่โกลิตะมานบผู้สหายรักว่าช้าก่อนสหายบัดนี้เราทั้งสองก็ได้โมกธรรมสาเร็จเป็นพระโสดาบัน ดื่มรสมรรคผลนิพพานอันเป็นอมตะธรรมแล้วก็แต่ว่าอาจารย์สัญชัยของเราซึ่งเป็นคณอาจารย์ใหญ่ท่านยังหาได้บรรลุธรรมวิเศษแต่อย่างใดไม่จำเราทั้งสองจากไปแสดงธรรมตามความเป็นจริงแก่ท่านผู้เป็นอาจารย์หากท่านมีปัญญาญาณสามารถที่จะบรรลุธรรมวิเศษก็จะได้บรรลุด้วยกันถึงไม่ได้บรรลุในการนี้แม้ท่านมีปัญญาเชื่อฟังคาถาถ้อยคาของเราแ้วไซ ก็จะได้ไปเฝ้าสมเด็จพระสัพพัญยูบรมครูเจ้าได้สดับพระธรรมเทศนาอันพระสัพพัญยูเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงก็หน่าที่จะรู้แจ้งมรรคผลธรรมวิเศษเป็นแม่นมั่นอยากกระนั้นเลยเราทั้งสองควรจะเข้าไปหาท่านสันชัยอาจารย์กันก่อนจกดีกว่าว่าดังนี้แล้วอุปติสสะมานพก็จูงมือสหายรักเข้าไปสู่สำนักสันชัยอาจารย์แล้วก็แจ้งความว่าบัดนี้ พระพุทธชินสีบังเกิดขึ้นในโลกพระสัตธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงก็เป็นวิโมกขธรรมสามารถนำสัตว์ออกจากกองทุกข์ในวัฏฏะสงสารได้ทั้งพระอริยสง์สาวกของพระองค์ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกรอบด้วยสัมมาปฏิบัติสมควรที่พวกเราจกพา ก, กันไปเฝ้าสมเด็จพระชินสีนั้นด้วยกันท่านอาจารย์จะโปรดว่ากรไรเมื่อสัญชัยอาจารย์ได้ฟังคําทักชวนดังนั้นแทนที่จะเห็นดีเห็นงาม กลับยกหัดขึ้นกล่าวห้ามปรามว่าดูก่อนพ่อทั้งสองดังรือมาเจรจาเช่นนี้เรานี้มีลาบและยศอันใหญ่ยิ่งถึงเพียงนี้ใช่ที่จะไปสู่สำนักเป็นสิทธิของผู้ใดใครอีกเล่าหากเจ้าทั้งสองปรารถนาจากไปก็จงไปเถิดเราไม่ว่าแต่ตัวอาตมานี้เป็นผู้ใหญ่ล่วงเข้าปัดถิมไวชาราแล้วทั้งเป็นเจ้าสานัก ตั้งตนเป็นคณาจารย์สั่งสอนปริพาชกสิทธบริวารมานานไม่อาจที่จะไปเป็นสิทธของผู้ใดได้อีกเลยข้าแต่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อย่าได้กล่าวดังนี้บ่ามีบังควรขอท่านอาจารย์ผู้ใหญ่อย่าได้ถือรั้นด้วยอํานาจทิฐิอหังการโดยมิเป็นการด้วยว่าสมเด็จพระธรรมณะโคดมบรมศาสดาจารย์นั้นแม้พระองค์ท่านจะเป็นาศาสดาใหม่เพิ่งได้ตรัสรู้เพระประมาพิเศษสัมโพธิญาณไม่นาน แต่พระองค์ท่านก็เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงพระคุณอันประเสรเิฐเลิศในไตรโลกหากท่านอาจารย์ไม่ไปเฝ้าตามคำของเราทั้งสองชีวิตของท่านอาจารย์ก็จะต้องเป็นชีวิตหมันโมฆะสูญไปเปล่าๆโดยการไม่นานแท้จริงเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาอจารย์ทรงอุบัติขึ้นในโลกคนฉลาดที่มีปัญญาทั้งหลายสมควรที่จะเข้าไปเฝ้าเพื่อสาเร็จประโยชน์สดที่ผลแก่ตน ชนผู้โง่เขลาเบาปัญญาเท่านั้นที่จะพากันไม่เห็นความสำคัญในการอุบัติขึ้นแห่งพระองค์ผู้พรงเป็นาศาสดาเอกในโลกช้าก่อนพ่อคณาจารย์ใหญ่สัญชัยยกหัดขึ้นห้ามปรามอุปติสมานนผู้มีปัญญาซึ่งกล่าวคาถาอะไรออกม า, มามากมายให้หยุดยัง้งแล้วถามขึ้นมาบ้างว่าเออพ่อเราใค่จกถามพ่อสักอย่างหนึ่งว่าบรรดาคนทั้งหลายในโลกทุกวันนี้ คนที่มีปัญญาฉลาดนั้นมีจำนวนมากกว่าหรือว่าคนที่โฉดเข่าเบาปัญญามีจำนวนมากกว่าปัญหานี้พ่อจะตอบว่าอย่างไรจงตอบมาไวๆสักหน่อยเถิดข้าแต่ท่านอาจารย์คนในโลกปัจจุบันทุกวันนี้สำหรับคนที่ฉลาดมีปัญญานั้นจะมีสักเท่าไหร่กันโดยที่แท้คนที่โง่เข่าเบาปัญญานั่นแหลมีปริมาณมากกว่ามากนักหนาถ้าเช่นนั้น บรรดาคนที่ฉลาดมีปัญญาก็จงพากันไปสู่สำนักพระสัมมาณัโคดมเถิดแต่ว่าคนฉุดเก่าเบาปัญญาซึ่งมีปริมาณมากกว่ามากนักหนาก็จะพากันมาสู่สำนักแห่งเรานี้เป็นแม่นมั่นพ่อทั้งสองจงพากันไปเถิดเรานี้ขอตัวก่อนจะไปกับพ่อทั้งสองด้วยไม่ได้แล้วสัญชัยขนาจาดใหญ่แห่งปริภาชกกล่าวพร้อมกับผงกศีรษะอันมีสีขาวโพล่งสั่นไปมา แม้ว่าพระอริยบุคคลโสดาบันสองสหายคืออุปติสะมานบและโกริตะมานบจะพูดจารบเร้ากล่าวชักชวนโดยเหตุอธิบายต่างๆถึงร้อยอย่างร้อยครั้งประการใดก็ไม่สามารถจกชักชวนพา อ, อาจารย์สันชัยให้ไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับตนได้ในที่สุดสหายทั้งสองจึงต้องพาบริวารของตนที่เชื่อถ้อยฟังคาประพฤติตามโอวาท รีบเดินทางไปยังเวรุวันเพื่อจะเข้าไปเฝ้าให้ทานการในวันนั้นสมเด็จพระบรมมลกุฎธามาจารย์กำลังทร ง, งแสดงพระสัต ธ, ธรรมเทศนาอยู่ณถ้นะรรมกลางจัตุบริสัทได้ทรงทัศนาการเห็นมนุษย์ทั้งสองในเพศบริพาชกพาบริวารมาแต่ไกลจึงทรงหยุดธรรมเทศนาในกลางคันแล้วตรัสเรียกพระสงฆ์อรหันต์ทั้งปวงให้แลดูแล้วทรงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าดูก่อน สงทั้งปวงปริภาชกทั้งสองสหายคืออุปติสะและโกริตะซึ่งกำลังเดินนำหน้าพาบริวารมานั้นมิใช่คนธรรมดาสามัญโดยที่แท้เป็นผู้กอบด้วยอัครสาวกบ ร, รมยานจากได้สำเร็จพระอรหันต์และเป็นคู่อัครสาวกในาศาสนาแห่งเราตถาคตเป็นเที่ยงแท้ดํารัดรจบลงชะนี้ก็พอดีมานพทั้งสองผู้เป็นพระอริยบุคคลโสดาบัน พาบริวารมากราบถวายบังคมแทบพระยุคละบาทพระพุทธองค์จึงทรงแสดงพระสัทธรรมเทศนาต่อไปโดยสมควรแก่จริตอัธยาศัยแห่งปริพาชกและจัตุปริสัต ท, ทั้งปวงพอจบพระสัทธรรมเทศหสนะบรรดาปริพาชกซึ่งเป็นบริวารก็พันได้บรรลุพระอรหัตผลลยาณสิ้นทั้งนั้นเว้นไวแต่มานพสองสหายซึ่งเป็นนายยังไม่ได้บรรลุคุณวิเศษเบื้องสูงเพิ่มเติมแต่อย่างใด แล้วพระองค์จึงให้พระอาหารหันต์ที่สำเร็จใหม่พร้อมทั้งสองสหายได้บรรพชาอุปสมบทในพระบวรพุทธศาสนาโดยทรงเหยียดพระทักษิณหัดตรัสว่าเอะภิกขโวขอเธอทั้งปวงจงเป็นภิกษุมาเถิดด้วยพระพุทธดารัสเพียงเท่านี้ผู้มีวาสนาเหล่านั้นก็พลันสำเร็จอุปสมบทกรรมเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์สาวกในพระธรรมวินยัยแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดา แล้วจึงทรงมีพระพุทธดีกาตรัด บ, บัญญัตินามภิกษุบวชใหม่สองสหายซึ่งต่อไปจะได้เป็นคู่อักขรสาวกของพระองค์โดยทรงบัญญัติตามนามแห่งมารดาของสองสหายคือพระภิกษุอุปติสสะผู้เป็นบุตรแห่งนางสารีพรหมณีนั้นจงมีนามว่าพระสารีบุตรสำหรับพระภิกษุโกลิตะผู้เป็นบุตรแห่งนางโมกขลีพรหมณีนั้นจงมีนามว่าพระโมคคลาในกรณีนี้ หากอยกมีปัญหาว่าเหตุไนพระภิกษุสองสหายคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลาผู้ได้บรรลุพระโสดาปติผลรยานสําเร็จเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลอยู่ก่อนแล้วซึ่งก็น่าจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์อริยบุคคลก่อนบริวารตนแต่ก็หาได้สําเร็จไม่ส่วนบริวารทั้งหลายเพิ่งจะได้มาสดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแต่ก็ได้สําเร็จ รอรหัตผลญาณก่อนท่านทั้งสองซึ่งเป็นนายและเป็นผู้นําตนมาอย่างน่าแปลกใจคําแก้ไขวิสัชนาปัญหานี้ก็มีอยู่ว่าบรรดาท่านเหล่านั้นแม้จะมีสาวกบรมียานทรงพระอรหัตตคุณรุ่งเรืองอยู่ในขันทสันดานเหมือนกันก็จริงแลแต่ว่าบริวารทั้งหลายเป็นแต่เพียงทรงไว้ซึ่งสาวกบรมีสามัญส่วนท่านทั้งสองทรงไว้ ซึ่งสาวกบรมีชั้นสูงถึงคู่อัครสาวกแห่งองค์สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถก็แลสาวกบรมียานสูงถึงขั้นคู่อัครสาวกนี้เป็นบรมีภูมิอันใหญ่หลวงยิ่งกว่าสาวกบรมีทั้งปวงดังนั้นจึงไม่อาจที่จะให้สําเร็จโดยพลันได้ง่ายๆเป็นธรรมดาจําเดิมแต่บรรพชาอุปสมบทมาพระโมกคลาผู้ทรงทุติยาสาวกบรมียานเป็นเบื้องซ้าย ก็อุตสาห์จำเริญวิปัสสนากรรมฐานพอถึงวันที่คำรบเจ็ดพระผู้เป็นเจ้าอาศัยอยู่ในอารันยิกะเสนาสนะใกล้บ้านกนรวานและมุตตะคามในแว่นแค ว, น, แวนมคตเจริญสมณธรรมกำหนดปดพระกรรมฐานด้วยความพยายามอย่างยิ่งอย่างลงสู่ทีนมิทารมถูกความง่วงเข้าครอบงำดวงจิตสมเด็จพระพิชิตมานทงทรงาบด้วยพระยานจึงกระทาพระพุทธปาฏิหารให้ปรากฏว่า สเส็จอยู่ในที่เฉพาะหน้าแล้วโปรดประทานอุบายขจัดทีนมิทะให้อันตรธานและทรงแสดงธรรมในธาตุกรรมฐานภาวนาพระโมคคลากำหนดตามนยะแห่งเทศนาก็สามารถยังวิปัสสนาญาณให้บังเกิดขึ้นโดยลำดับจนได้บรรลุพระสกะทาคามิผลญาณพระอนาคามิผลญาณและพระอารหาัตตผลญาณสำเร็จเป็นพระอรหันตอริยบุคคลทรงคุณวิเศษสุด เป็นทุติยะอรหันตสาวกในพระพุทธศาสนาฝ่ายว่าพระสารีบุตรผู้ทรงเอกอัครสาวกบรมียานจำเดิมแต่บรรพชาอุปสมบทมาก็พยายามบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานอย่างยิ่งยวดการล่วงไปได้ส5้าวันพระผู้เป็นเจ้าตามเสด็จพระสัพพันยูไปอยู่ที่คูหาสุกระขาตาใกล้กรุงราชกฤห์ได้สดับพระสัตธรรมเทศนาเวทนาปริกรหาสตร อันสมเด็จพระสุคตทรงแสดงโกรธแก่ทีฆะนักขะปริภาชกซึ่งเป็นนัดดาพระผู้เป็นเจ้าผู้มีปัญญาทรงยานพิจารณาไปตามพระสูตรท่านวิปั ส, สนาญาณก็อุบัติขึ้นตามลำดับไปจนถึงขั้นพระสกะทาคามีผลญาณอันเป็นปฏิบัติสัติวิมุตสําเร็จเป็นพระสกะทาคามีอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาเมื่อพระสารีบุตรผู้มีวาสนาสูง ได้บรรลุพระสกทาคามิผลญาณในขณะนั้นแล้ว ท, ท่านก็มีจิตพ่องแผ้วจำเริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปจนกระทั่งได้บรรลุพระอนาคามิผลญาณและพระอรหัตตผลญาณสําเร็จเป็นพระอรหันต์อริยะบุคคลทรงคุณวิเศษสูงสุดเมื่อพระสารีบุตรผู้มีวาสนาสูงได้บรรลุพระสกทาคามิผลญาณในขณะนั้นแล้วท่านก็มีจิตพ่องแผ้วจำเริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไป จนกระทั่งได้บรรลุพระอนาคามิผลญาณและพระอารหัตผลญาณสำเร็จเป็นพระอาราหันตอริยบุคคลทรงคุณวิเศษสูงสุดเป็นเอกอัครอ า, รอ า, ราหันสาวกในพระบวรพุทธศาสนานับเวลาตั้งแต่บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุภาวะครบ15้าวันพอดีสมเด็จพระชินท์สีสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอยู่ณเมืองราชครือยางพระอัครส า, าวกทั้งคู่ให้สาเร็จกิจ แห่งสาวกะบรมียานแล้วจึงโปรดประทานพระธรรมเทศนาในวันมาฆปุรณมีเพนเดือนสามและนาสถานถ้ำกลางพระอาราหันต์มหาขีนาสวะเจ้าทั้งปวงเป็นมหาสังฆสันนิบาตพระองค์ทรงประกาศแต่งตั้งให้พระมหาโมคคลาดำรงตำแหน่งทุติยะสาวกเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายส่วนพระสารีบุตรนั้นทรงแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งพระธรมรมวเสนาบดี เอกอครสาวกเบื้องขวาให้เป็นไปตามบุญญาธิการที่อธิษฐานไว้สมัยยังเป็นสารธดาบทแต่ปางบันการต่อมาปรากฏว่าพระธรรมมเสนาบดีสารีบุตรนี้เป็นพระสาวกคู่พระบรารมีแห่งองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสดาบำเพ็ญศาสนากิจใกล้ชิดตามรอยพระยุคลบาทยังประชาสัตว์ให้ได้ดื่มอมะตะธรรมบรรลุประโยชน์สดที่ผลกว้างใหญ่ไพศาล จริงอย่างนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาธรรมราชาธิบดีพระองค์ทรงมีพระหฤทยัยอันกำลังพระกรุณาใหญ่มาตักเตือนให้เสด็จพุทธจาริกไปในบ้านและนิคมชนบทราชธานีน้อยใหญ่เพื่อยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ได้เสด็จสถิตอยู่เป็นนิดในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ที่เดียวเลยจาเดิมแต่ปทมาพิสัมโพที่สมัยได้ตรัสแก่พระปรมาพิเศษสัมโพธยาน จนจวบถึงการพระชนมายุ8ปสพรรษาครานั้นสมเด็จพระพุทธองค์ท่านทรงเข้าเขตชราอาพาธหนะักแต่ทรงรักษาเยียวยาพระโรคาของพระองค์ด้วยโอสถคือสมาบัติให้ระงับมีคารุวนาดุจกอไม้อ้ออันเพลิงไหม้และถูกราดรด้วยสุคนธอุทธกธาราให้อันตรธานดับไปหรือมิฉนั้นมีครุวนาดุจบำบัดอสรพิษร้ายให้เสื่อมหายไปด้วยอำนาจ แห่งวิศณุมนพิเศษถ้ามิฉะนั้นมีครุวนาดุดบุคคลที่เดินทางไกลามานานได้รับความเหน็ดเหนื่อยอิดโรยหอบหิวนักหนาแล้วได้บริโภคบรวรสุธาโพช์อันเป็นทิพย์จึงบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยหิวโหยเสียได้กลายเป็นผู้มีสุขกายตามเดิมแล้วทรงมีพระพุทธดำรัสเรียกพระธรรมมเสนาบดีสารีบุตรและพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงมาประชุมกันเป็นมหาสังฆสันนิบาต ได้ประทานพระบรมพุทธโอวาทล้วตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรไม่ช้าไม่นานแล้วเราตถาคตก็จะดับขันเข้าสู่ปรินิพานมาเถิดเราทั้งหลายจากพากันไปสู่เมืองสาวัตถีในการระบัดนี้พระธรรมมะเสนาบดีสารีบุตรและพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงรับพระพุทธดีกาวาสาธุดังนี้แล้วก็แวดน้อมเป็นบริวาร ตามเสด็จคำนาการไปยังนครสาวัตถีบ่ายหน้าไปยังพระเชตวันมหาวิหารสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์สถิตอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารนั้นวันหนึ่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรท่านกระทําวัตรปฏิบัติถวายพระสัพพันธ์อยู่แล้วก็ออกไปสู่ที่วาวิหารนั่งอยู่ในที่สบายกลางวันบรรดาศิทธยาุสิทธิ์ของท่านได้โอกาส ก็เข้าไปอุปถาปนิบัติรับใช้แล้วต่างรูปต่างก็กราบลาออกไปสิน้นทิ้งให้ท่านอยู่แต่เพียงลำพังพระธรรมมเสนาบดีท่านจึงกวาดอาสนะที่นั่งให้สะอาดปราศจากละอองธุลีแล้วจึงลาดซึ่งจำมะขันรองนั่งสะสงน้ำจำระกายล้างบาทาเรียบร้อยแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็นั่งพับผ น, นงเชิงเข้าสู่ผลมหาสมาบัติเป็นที่สบายระ ง, งับความกระวนกระวายในกาย ออกจากผลมหาสมาบัติแล้วสาวกแห่งองค์พระประทีปแก้วจึงอาวัชนาการว่าเมื่อไม่นานมานี้สมเด็จพระชินนสีเจ้าบรรมครูแห่งเราทรงมีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอีกไม่ช้าไม่นานพระองค์ก็จักสเสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพานก้อนแลนในอดีตการที่ล่วงแล้วมาระหว่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระอัครสาวกเช่นเรา ใครผู้ใดเล่านาจากด่วนดับขันเข้าสู่ปรินิพานก่อนหน้ากันจะเป็นองค์สมเด็จพระสันเพชรชุดายานสเสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพานก่อนพระอัครสาวกหรือว่าพระอัครสาวกจากดับขันเข้าสู่พระปรินิพานก่อนองค์สมเด็จพระจอมมุนีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรรำพึงไปชนีก็ทราบชัดด้วยอํานาจญาณพิเศษว่าธรรมดาพระอัครสาวก ผู้ดำรงตําแหน่งพระธรรมเสนาบดีย่อมเข้าสู่ที่ปรินิพานก่อนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์แห่งตนทุกๆองค์มาแล้วพระผู้เป็นเจ้าจึงพิจารณาอายุสังขารของตนว่าจะดับขันเข้าสู่พระปรินิพานไปเมื่อใดเล่าหนาครั้นพิจารณาไปก็ทราบว่ายังอีกเจ็ดวันอาตมจาจะดับขันสูญสิ้นเข้าปรินิพานลําดับนั้นพระธรรมเสนาบดี ผู้มีปรีชาชานจึงอาวัชนากานอีกสืบไปว่าเออก็พระราหุลผู้เป็นพุทธชิโนรสนั้นท่านก็ดับขันเข้าสู่ปรินิพานณสวงสวรรค์ชั้นดาวดันหนึงอันหนึ่งท่านพระอัญญากกลธัญะเถระท่านก็ดับขันเข้าสู่พระปรินิพานแทบริมฝั่งจัตทันตะมหาสระนาป่าหิมวันตะประเทศปรากฏว่าฝูงช้างทั้งหลายได้พากันกระทําสการะบูชา เป็นอันมากกว่ามากบัดนี้ตัวเราผู้เป็นพระธรรมเสนาบดีจะดับขันเข้าสู่ปรินิพานณที่ไหนดีหนอพระผู้เป็นเจ้าพินิษพิจารณาไปมาจึงรำลึกถึงนางสารีพรหมณีซึ่งเป็นโยมมารดาของตนขึ้นได้ว่าก็โยมมารดาแห่งเรานี้แม้ว่าจะเป็นคนมีวาสนาได้ทรงคันอุ้มท้องบุตรชายพระอรหันต์ถึงเจ็ดองค์คือตัวเราและ พระอรหันต์น้องชายหกองค์มาก็ดีถึงกระนั้นก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิเคารพนับถือลทัทธิศาสนาพราหมณ์อยู่ตามเดิมเพราะเหตุที่เป็นคนถือมั่นในาศาสนาที่วงตระกูลเคยเคารพนับถือมาแต่โบราณแล่บัตินี้อุปนิสัยแห่งพระโสดาปติผลยาณอันมีอยู่ในขันธสันดานโยมมานดานั้นก็ถึงการแก่รอบควรที่จะบรรลุธรรมวิเศษได้แล้วจึงเป็นการสมควร ที่เราจกไปเข้าสู่พระปรินิพานในห้องที่ประสูตย์ของเราเพื่อจักถื อ, อโอกาสเทศนาโปรดโยมมารดาให้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษให้จงได้พระธรรมมะเสนาบดีสารีบุตรท่านดำริจิตคิดชะนี้แล้วจึงเรียกพระจุนทะอรหรันซึ่งเป็นน้องชายของท่านให้เข้ามาใกล้ๆแล้วสั่งว่าดูก่อนอาวุโสจุนทะขอท่านจงออกไปบอกกล่าวพระภิกษุห้าร้อย แต่บรรดาที่เป็นสิทธิ์ของเราว่าบัดนี้เราผู้เป็นพระธรรมเสนาบดีจกเดินทางไปสู่นารันทคามขอให้พระภิกษุทั้งหลายจงจัดแจงบาดจีวรเตรียมเดินทางไว้ให้พร้อมเถิดเมื่อพระจุทธารหารันรับเทระบัญชาไปจัดการตามคำสั่งแล้วพระผู้เป็นเจ้าธรรมเสนาบดีจัดแจงปัดกวาดที่พักอันเป็นที่สบายกลางวันและรวบรวมเครื่องบริการไว้ให้เรียบร้อยแล้ว จึงออกมายืนอยู่แทบประตูแลดูที่พักเป็นครั้งสุดท้ายพลางรำพึงว่าดูก่อนที่พักอันเป็นที่สบายกลางวันเอย๋ยเรานี้เคยอาศัยเจ้าสำรานใจในกลางวันนั่งจำเริญพรหมจันทร์เป็นบรมวสุขาครั้งนี้เราจะขอลาแล้วขอเจ้าจงค่อยอยู่ไปเถิดเราไปครั้งนี้จะได้กลับมาอีกก็หามิได้เราจะอาศัยเจ้าก็เป็นที่สุด ครั้งนี้ครั้งเดียวจะแลเหลียวเห็นเจ้าครั้งนี้เป็นปัดฉิมมาที่สุดแล้วพระผู้เป็นเจ้ารำพึงถึงที่พักอาศัยอันเคยใช้สอยเป็นที่พักสบายมานานดังนี้แล้วก็ออกมาพาภิกษุสงฆ์องค์บริวารทั้งหลายเข้าไปสู่สำนักสมเด็จพระมหากรุณาครั้นถึงจึงเข้าไปวันทาสมเด็จพระทศพลสัมพุทธเจ้าคุกเข่าทั้งสองและยกหัดทั้งสองซ้ายขวาขึ้นถวายอภิวาท กราบลุงแทบพระยุคลบาทแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาแล้วค่อยกราบบังคมทูลขึ้นว่าข้าแต่องค์พระมหามุนีโลกนาถข้าพระบาทที่ชื่อว่าสารีบุตรถึงการเวลาที่จะขาดจากพระองค์ผู้ทรงมหากรุณาจะได้ถวายวันทาเบื้องบรมมาบาทก็เป็นปัดถิมที่สุดครั้งนี้ด้วยจะขอลาองค์พระชินาีเจ้าเข้าสู่นิพพานขอสมเด็จพระพุทธองค์จงโปรดประทานอนุ ญ, ญาต ให้แก่ข้าพระบาทในครั้งนี้เถิดพระเจ้าข้าสมเด็จพระมหากรุณาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทรงเป็นพระธรรมราชาธิบดีเมื่อได้ทรงสดับพระธรรมเสนาบดีของพระองค์มาทูลลาเข้าสู่นิพพานดังนั้นจึงทรงมีพระพุทธดีกาตรัสถามว่าดูก่อนสารีบุตรเอย๋ยเธอกําหนดที่จะเข้าสู่นิพพานณสถานที่แห่งใดเล่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสรศิฐ ข้าพระบาทกำหนดจกเข้าสู่นิพพานในห้องที่ประสูตธ์แห่งข้าพระบาทที่นารันทขามพระเจ้าข่าถ้าเช่นนั้นเธอจงกำหนดการอันสมควรแก่เธอด้วยดีเถิดสารีบุตรเอย๋ยสมเด็จพระมหากรุณาตัดด้วยความสังเวชพระไถยดังนี้แล้วก็ทรงเอื้อนโอตรัดแก่พระสงฆ์ทั้งปวงว่าดูก่อนเธอผู้เห็นภัยในวัฏฏะสงสารทั้งหลายเธอทั้งหลายจะได้เห็นสารีบุตรผู้เป็นพี่ชายใหญ่ ก็ในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วต่อไปเบื้องหน้าหากผู้ใดมีจิตปรารถนาใคร่จะเห็นภิกษุซึ่งทรงอุดมคุณดังพระธรรมมสนาบดีสารีบุตรผู้เป็นพี่ชายใหญ่ของพวกเธอนี้โอกาสนี้จะไม่มีแก่ผู้นั้นแล้วดังนั้นขอเธอทั้งหลายจงแลดูสารีบุตรพี่ชายใหญ่ของพวกเธอให้ดีๆแล้วสมเด็จพระชิน์สีเจ้าก็ทรงหันกลับมา ดำรัดสั่งแก่พระสารีบุตรอีกว่าดูก่อนสารีบุตรเอย๋ยขอเธอจงแสดงธรรมให้พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นน้องน้องของเธอได้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายเถิดดำรัสดังนี้แล้วก็ทรงนิ่งเฉยไม่ได้ทรงตรัสอะไรอีกเลย